พระธรรมเทศนาแผ่นที่55ลำดับที่11โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่9พฤศจิกายน2556ณวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าหลักธรรมประจําอาเซียน ต่อนนไปตั้งใจฟังวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งธนาคารกรุงไทยเป็นเจ้าภาพแล้วก็ขอเชิญร่วมบุญถวายภาพป่ามหากุศลบริจาคเครื่องมือแพทย์ช่วยชีวิตผู้ป่วยหนักหอเมตตาธรรมบำบัดวิกฤต CICU อนุสร์ร้อยปีหลวงปู่จันศรีจันททีโปณนะวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงปู่ของเรากับพระอุดมญานโมลีหลวงปู่จันศรีจันททีโปนับว่าเป็นวันมงคลอย่างมากอย่างยิ่งที่ธนาคารที่ได้เข้ามาช่วยยื่นมือเข้ามาช่วย ว่าตึกหลังนี้หลวงพ่อเองก็ได้เข้ามารับผ้าป่าครั้งนี้เป็นครั้งที่3หรือเปล่าที่หลวงพ่อได้เข้ามาและก็ส่วนอื่นกหลวงพ่อก็ได้ทยอยช่วยๆอยู่ที่ตึกซ i c IC u หลังนี้นะเนี่ยเพราะนั้นวันนี้จึงถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสาหรับการทอดผ้าป่ า, ปาสามัคคีเพราะนั้นพี่น้องจตยางญาติโยมทุกหมู่เหล่านะที่นั่งอยู่ที่นี่นะ อย่าได้พลาดอย่าได้พลาดโอกาสในการทำบุญในคราวนี้หลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราได้ทำบุญน่หว่านพืชไม่เสียไม่ผิดสถานที่เหมือนกับเราจะปลูกข้าวเนี่ยถ้าเราปลูกข้าวเนี่ยเรา้าราไม่คิดไม่อ่านอะไรเนี่ยเอ๊ะปลูกที่ไหนก็ได้บุญทั้งนั้นละ่ะปลูกที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นลหละข้าวแล้วก็กรรมกรรมข้าวปลูกแล้วก็หว่านข้าไปในปา่าในลง แอบแยาแฝกยาคาวานไปเรื่อยได้บนมันกันนะได้ข้าวมอนกันนะมันตกในดินมันจะไปที่ไหนแต่ตามจริงมันไม่ใช่นะถ้าจะได้รับผลจริงๆก็ต้องไปหวานลงแปลงนาคาดให้ละเอียดน้ำพอเหมาะดินพอเหมาะดินมีปุ๋ยจากนั้นหวานลงไปพอหวานลงไปข้าวนันจะงอกเงยขึ้นมางามในเพราะว่าที่ดินมันงาม ข้าวก็งามก็ได้ผลเต็มที่นี่ถ้าเราจะเปรียบเทียบทีเนื้อนาบุญเนี่ยคือโรงพยาบาลเป็นสาธารณประโยชน์ไม่ว่าพระสงฆ์องค์เจ้าไม่ว่าพระระดับไหนหลวงปู่หลวงตาระดับไหนพระสงฆ์องค์เจ้าระดับไหนหรือว่าผู้สูงอายุระดับไหนหรือว่าผู้มีทุกข์ซะก่อนแนหะจึงเข้าโรงพยาบาลเมื่อเราคลายทุกข์หายทุกข์ให้ท่านเหล่านั้น ท่านเหล่านั้นได้ประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปหรือว่าหาจากโรคภัยไข้เจ็บท่านได้บำเพ็ญคุณงามความดีต่อไปพวกเราก็ได้บุญได้กุศลเพราะ็ะไรเพราะว่าเราได้ทุ่มเทเราได้ช่วยเราได้สร้างกับโรงพยาบาลให้ดูแลพระสงฆ์ดูแลคณะพี่น้องของพวกเราให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บนี่แหละถ้าเราหวานพืชเราบริจาคเงินในจุดนี้หลวงพ่อมั่นใจเหลือเกิน ว่าไม่ผิดหวังบุญกุศลจะเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราอย่างเต็มเปี่ยมนะแต่ถ้าหากว่าพวกเราเห็นขี้เหลาอยู่ที่ไหนเอ้าบริจาคให้มันกินเหล่าไปเห็นคนโกโลโกโสอยู่ที่ไหนเอ้าเอาให้เงินมันไปอย่างนี้อันนั้นไปว่าหวานพืชหวานเมล็ดพืชไปในที่ไม่ถูกต้องเผลอๆจะเป็นบาปกับเขาอีกเห็นเขาติดยาเสพติดเอ้า ไปซื้อยาเจ็บติดให้มันกินยาบ้าให้มันกินพอมันกินเข้าไปแล้วมันไปฆ่าคนน่ทั้งที่เราจะเป็นได้บุญกับได้บาปอีกต่างหากเ mm. พราะเหตุไรเพราะว่าเราว่านพืชผิดสถานที่เนีเ mm. พราะนั้นสิ่งเหล่านี้นะขอให้พวกเราทั้งหลายได้คิดพอหลวงพ่อพูดสถานที่ใดก็ตามหลวงพ่อจะพูดสุดตรงสุดตรงข้างใดสุดตงข้างหนึ่งเพื่อให้พวกเราได้คิด ถ้าพูดกำกำกึงกึงเนี่ยดยมากเราจะไม่ค่อยได้คิดกันน ะ, ะแล้วก็เมื่อวานวันวานวานัวนก่อนมีศรัทธาญาติโยมเข้าไปไปถ่ายทําวิดีโ อ, อถ่ายทำเขาว่าจะออกจะออ ก, จะออกข่าวะจะออกข่าวลุงพ่อไปอทั่วโลกเขาวางกันน ะ, ะแล้วก็เขาจะออกช่องไหนไม่รู้เราลุลงพ่อก็จาไม่ไดเ้เพราะลุงพ่อไม่ได้สนใจแต่เ้ากด ที่สนใจกืตรงที่เขาถามว่าจะมาถ่ายทำเพื่อถามหลวงพ่อว่าการถ่ายทำในครั้งนี้จะมีความหมายว่าที่พวกเราจะเข้าประชาคมอาเซียนนี่ยพวกเราเป็นพ่อค้าเนี่ยเป็นพ่อค้าวานิชเนี่เป็นกลุ่มสมาคมพ่อค้านี่จะเข้าประชาคมอาเซียนนี่ ด้วยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วจะใช้บทธรรมข้อไหนบทไหนข้อไหนที่จะให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขเขาถามหัวข้อเขานะหลวงพ่อบอกเออก็น่าคิดเหมือนกันเพราะอีกไม่กี่ปีปีห้าแปดท่าลพ่อจะไม่ผิดว่าประเทศไทยก็จะเข้าประชาคมอาเซียนด้วยกัน กับประชาคมมาเชียนนก็มีมากหลากหลายทั้งการศึกษาทั้งกเกษตรทั้งการทามาค้าขายมีหลายระดับแต่พวกเราจะเข้ามาอยู่ขนาดประเทศไทยแทย้ๆก็ยังเอออิเลตุ่มเปะ ก, กันไปเออยังพูดกันไม่รู้เรื่องและจะเอาต่างชาติเข้ามานี่เราจะอยู่ด้วยกันอย่างไรเนี่ยน่าคิดอีกเหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแต่หลวงพ่อก็บอกเออเอา หลวงพ่อจะให้แนวความคิดแบบพระป่านะอย่างพ่อหลวงพ่อเป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพยนลุกลานก่อนที่หลวงพ่อจะพูดในเรื่องนั้นต่อไปหลวงพ่อจะขอแนะนำตัวก่อนหลวงพ่อบอกนะหลวงพ่อขอแนะนำตัวก่อนเพราะว่าพอพูดเอ๊ะพระองค์นี้มาจากไหนพูดยังไงนี่เรียกว่าท่านทำไมมีความคิดอย่างนี้นะท่านบวชมานานเท่าไหร่ท่านอยู่ยังไง แต่ท้่ท่านได้เป็นเจ้าคุณหนระือท่านได้เป็นมาหาอะไรเนี่ ย, ยสิ่งเหล่านี้เนผู้ที่ได้ยินได้ฟังคงจะสงสัยอีกเหมือนกันเพราะนั้นหลวงพ่อจะขอโพูดให้ฟังเลยหลวงพ่อเนี่ย เ, เป็นชาวมุกดาหารบวชเมื่ออายุ11 12ปีอายุ11ต่อ12อปีจบปสบวชที่วัดภูเจาก้อ อ, อำเภอมุกดาหาร แล้วก็วัดหลวงปู่ล่าเขมาปะโตวัดบนญพศคีรีผูเจาอก็อบวชเมื่ออายุ11ปีย่าง12จบปสี่พ่อบวชปีนั้นปี 2,500 ตรเนี่ยทงพ่อบวชปี 2,500 นห้ันลูกหลานนะ เ, เป็นสมณเณรอยู่8ปีปีปปี08ย์แหลวงพ่อก็ได้บวชเป็นพระ เ, เป็นพระตั้งแต่ปี08จนมาถึงปี 2,556 เป็นเวลา49ปี49บวก8เป็นเท่าไร่ลูกหลานนี่แหละชีวิตของหลวงพ่อนี่ฝากฟังไว้ในพระพุทธศาสนา50กว่าปีนะั้นลูกหลานนะนี่แหละแต่ทีนี้หลวงพ่อจะล่เล่าให้ฟังว่าเมื่อบวชเข้ามาแล้วหลวงพ่ออยู่ที่ไหนบ้างหลวงพ่ออยู่กับหลวงปู่ล่านี่8ปีเป็นสัมมเนรแล้วก็บวชเมื่อเป็นพระบวชแล้วก็อยู่กับท่านอีกหนึ่งปีเป็น9ปีจากนั้นมาอยู่กับหลวงปู่จามมหาปุญโญที่ท่าน มรณภาพที่บันทึกทรายมุกดาหารที่ศพของท่านยังอยู่เนี่ยอันนั้นคือหลวงอาเอนี่ยจะได้พระราชทานเพลิงศติละของท่านวันที่หมกราเนี่ยวันที่หมกราห้าเจ็ดเน่ย เ, เชิญไปเนี่ลูกหลานเนี่เป็นหลวงอาของหลวงพ่อแท้ๆอนะ่ะอันนี้ก็คื อ, อหลวงปู่จามที่หลวงพ่อมาอยู่ด้วยจากนั้นหลวงปู่จามท่านมาเฝ้าโยมแม่ของท่านพอแม่ยมย่าพอโยมย่าจากไปยมย่าเป็นแม่ชีนะ แอบวอมา30กว่าปีเหมือนกันแม่ชีเนี่ยเกือบ40่สิบปีพอท่านจากไปแล้วท่านก็หลวงปู่จามไปเลยขึ้นไปเชียงใหม่หลวงพ่อก็เลยขึ้นไปอยู่เชียงใหม่ด้วยกับหลวงปู่จามกับหลวงอาหลวงอาก็เลยส่งไปอยู่กับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูอำเภอพระลับจังหวัดเชียงใหม่ไปอยู่ที่กับหลวงปู่แหวนหพันษาพอออกพันษาแล้วก็เลยลงมาอยู่กับหลวงอาหลวงอาก็เลยชัดจัตไทยแย่โยมบนนิมนต์หลวงอากลับบ้านอีก หลวงอาก็ได้กลับมาห้อยสายหลวงพ่อก็ได้กลับมาอยู่กับท่านอีกพรรษาหนึ่งเป็นพรรษาที่4ี่จากนั้นหลวงพ่อก็ได้มาออกจากหลวงปู่จามแล้วก็มาจําพรรษาที่วัดหลวงตามหาบัวปี2512มาอยู่ที่วัดวัดป่าบ้านตาศ์สองพันห้าร้อยจน2525 25, เป็นเวลา14ปีหลวงพ่อจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาศติดต่อกันจากนั้นก็ได้ออกไปจําพรรษาที่นาคำน้อย ปี 2,525 25, นี่แหละชีวิตของหลวงพ่อนะอตอนนี้ไปหลวงพ่อฝากฝังชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นระยะยาวนานทีเดียวแล้วหลวงพ่อมีความเห็นอย่างไงกับทางโลกถึงหลวงพ่ออยู่อยู่ในป่ารงพงภัยหลวงพ่อก็ยังมองมองโลกอยอู่เอาธรรมมาเปรียบเทียบกับโลกโลกมาเปรียบเทียบกับธรรมเพราะธรรมกับโลกมันก็อยู่เหมือนกับน้ําอาศัยบัวบัวอาศัยน้ําลักษณะอย่างนั้นแหละ เพราะนั้นหลวงพ่อได้มองดูแล้วว่า ه, การที่โลกจะร่มเย็นเป็นจุกไปได้ต้องอาศัยศีลธรรมถ้าหากว่าโลกขาดศีลธรรมโลกจะเดือดร้อนวุ่นวายเพราะนั้นหลวงพ่อมองไม่เห็นอย่างอื่นที่ฐานะที่หลวงพ่อเป็นพระป่าที่ฝากฝังชีวิตในพระพุทธศาสนายาวนานอย่างที่ว่าหลวงพ่อมองดูแล้วว่านอกจากศีลห้าแล้ว มองไม่เห็นส่วนอื่นที่จะทําโลกให้ร่มเย็นเป็นถุขได้ศินห้าที่แลเป็นสิลที่คุ้มครองโลกเออเป็นสินที่คุ้มครองโลกให้โรคร่มเย็นเป็นสุกไ ด, นนกกลกลได้ด้วยศินห้าเพราะพระเจ้าบัญญัติศินขึ้นมาเพื่อให้พุทธบริษัทอยู่ในคุณธรรมศีลธรรมสินห้านั้นคืออะไรข้อที่หนึ่งอย่าคิดฆ่ากันถ้าพวกเราไปอยู่นัสถานที่ใดมีแต่คิดเบียดเบียนมีแต่คิดจะฆ่ากัน พวกเราอย่าหวังเลยที่จะได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขเดือดร้อนไปทุกหัวละแห่งเพราะอะไรเพราะคิดฆ่ากันนี่แหละสินห้าข้อที่1ข้อที่2องธินาทานอย่าไปคิดขโมยกันถ้าเราไปไปที่ไหนคิดแต่ขโมยของคนอื่นต่างนั้นกับต่างคนกับต่างคิดขโมยของกันและกันพวกเราจะร่มเย็นเป็นสุขได้ไหมอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันแต่บางประเทศที่ว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยของเรารับแขกทัวต่างประเทศเข้ามา เข้ามาในโรงแรมเข้ามาแล้วกันนะั่นเจ้าของโรงแรมพวกพนักงานของโรงแรมหาความสุขไปได้พเพราะเพลิดเพลนเอาทั้งหมอนเอาทั้งผ้าหม่มเอาทั้งผ้าปูที่นอนใส่กระเป๋าไปด้วยอย่างนี้ก็มีที่หลวงพ่อได้ยินนะเพราะฉะนั้นนะเราก็รู้เสว่าไปที่ไหนเราจะไปขโมยเขาทําไมอะไรมากมายเพราะเขามาต้อนรับขับสู้เรานี่แหละเสียงเหล่านี้แหละ ถ้าไปที่ไหนถ้ามีขโมยเป็นอย่างนั้นแล้วพวกเราคิดดูให้ดีสิว่าพวกเราจะมีความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขไหมนี่แหละอันนี้ก็คือสิ่งข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิชาจาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครเขาก็รักสงวนห่วงแหนของเขาถ้าเราไปล่วงล้ำเขาเขาเสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราล่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน ถ้าพวกเราเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันแล้วโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่าเราไม่มีขอบเขตในเรื่องกาเมสุมิจฉาจาร์าแล้วพวกเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ต่างคนต่างไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันจะต้องมีเรื่องเกิดขึ้นยร่งยุ่งเหยิ ง, ย ง, ย ง, ยงวุ่นวายแน่นอนอันนี้ก็คือสินข้อที่สข้อที่สีมุสาวาทาเวรมณียาโกหกต้ม ต, ตุนหลอกลวงคนอื่นเขา ถ้าว่าเราเข้าประชาคมอาเซียนเราส่งของให้ประเทศเรากัมพูช์เวียดนามพวกนั้นได้ของไปแล้วก็หายถมเข้าไปเลยตามหาใครก็ไม่เจอถ้าเขาเอาของมาส่งเมืองไทยเมืองไทยก็เอาเข้าเมืองประเทศตัวเองหายถมไปเลยไม่รู้จะตามที่ไหนเพราะไม่ใช่ประเทศตัวเองสิ่งเหล่านี้พวกเราจะอยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะเหตุลายเพราะการโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงกัน จะหาความสุขไม่ได้จะหาความสงบไม่ได้จะติดต่อยอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้แหละคือสีลข้อที่4ีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าคนที่ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทำความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี้พวกเราสังเกตนะถ้าผู้ใดก็ตามชอบโกหกต่อหน้าโกหกลับหลังโกหกพูดต่อหน้ายางรับหลังยิงหนึ่งหาความสัจจิกไม่ได้คนคนนั้นจะทาความชั่วอย่างอื่น จะไม่ทำความชั่วยอย่างอื่นเป็นไม่มีเพราะพระพุทธเจ้าท่านทํานายไปแล้วเพราะนั้นสินข้อที่สี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชชะปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาสสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียร์ถ้าใครก็ตามดื่มเหล้าและเบียร์มึนเมาขาดสติแล้วทาความชั่วด้ทุกอย่างแต่ทุกวันนี้สงเคราะห์เขาลหลายอย่าง อย่างยาบ้ายามา้าคัญช่ายยาฝิ่นเฮโรอีนมีมากมายที่ยาเสพติดเข้าไปแล้วทําให้สมองขาดสติปันป่วนเมื่อคนขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่างจะฆ่าใครก็ได้จะขโมยใครก็ได้จละลาบระลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะอะไรเพราะคนขาดสติเราก็รู้อยู่แล้วว่าดื่มเข้าไปเสพเข้าไปต้องขาดสติแล้วจะไปเสพไปดื่มทําไม ราะนั้นศินทั้งห้าข้อนี่เป็นสินคุ้มครองโลกถ้าพวกเราพิจารณาดูสิว่าถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งในศินห้านี้พวกเราจะมีความสงบร่อบเย็นเป็นสุขได้ไหมหลวงพ่อมองไม่เห็นนะถ้าพวกเรามีสินห้าถึงจะไม่มีสินห้าบริบูรณ์ก็เถอะแต่เคารพในสินห้า เ, เมื่อเคารพในสินห้าแล้วสินห้ 5, าน่าจะคุ้มครองพวกเราพวกเราจะอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นผาสุขนี่หลวงพ่อพูดเรื่อง อันนี้คือข้อที่1บทที่1บทที่สองหลวงพ่อบอกว่าให้มีคาราวะธรรมธรรมของคารวะธรรมของคารวะที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้มีอยู่สอย่างสัจจะขึ้นต้นเลยนะการอยู่ด้วยกันต้องมีสัจจะสั จ, จธรรมขันติจาคะสัจจะ ค, คือความจริงจังและจริงใจต่อกันถ้าเราจะจ่ายเงินเมื่อไหร่ เราไปรับของมาแล้วเราจะจ่ายเมื่อไหร่ต้องมีสัจจะแล้วก็เช็คที่มันจะเข้าเมื่อไหร่และจะออกเมื่อไหร่ก็ต้องมีสัจจะเงินอยู่ในธนาคารมีไหมอย่างนี้คือการทํามาค้าขายด้วยกันต้องมีสัจจะถ้าขาดสัจจะไร้สัจจะแล้วหาความเชื่อถือกันไม่ได้หาความไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่มีแล้วจะตันการทํามาค้าขายจะเป็นไปได้อย่างไรนี่แหละขาดสัจจะข้อที่สองธรรมะ ให้รู้จักข่มจิตของตนคือคนเรามันลงมีขึ้นมีลงบางทีโมโหโกธาคนอื่นบ้างแต่ว่าเราก็ต้องอดทนต้องมีการยับยัง้ง เ, เพราะเหตุอะไรเพราะบางเรื่องบางยาวอย่างเรายังไม่ชัดเจนว่ามันผิดหรือถูกอย่างไรไม่ใช่ว่าเรานึกเขาพูดอะไรให้ฟังก็นึกโมโหโกธาปรามไปเรื่อยอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก เพราะนั้นบางสียงบางอย่างต้องข่มใจตัวเองนะได้ยินเสียงอะไรมาก็ดีจได้เห็นอะไรมาก็ดีต้องข่มใจไว้ก่อนอย่าพึ่งเพิ่งผงผางออกไปทำให้เสียหายได้ง่ายนะอันนี้ก็คือท่ามะให้รู้จักขม่มจิตใจของตนเองข้อที่สขันติให้มีความอดทนความอดทนกรรมคำนี้นี่ยมีมากหลายสมมติวันเราไปทาการทางานหิวกระหายก็ต้องอดทนรอดถูก อะไรก็อดทนแล้วก็ถูกติชินนินทาถูกเขาด่าว่าเก่าวก็ต้องอดทนไว้ก่อนนะเพราะเรายังไ ม, ไม่รู้ว่าเรื่องนั้นมันเป็นยังไงต้องมีขันติคือความอดทนไว้ก่อนอันนี้ก็คือข้อหนึ่งข้อที่4ี่ยาคะให้รู้จักการเสียสละ เ, เมื่อเรามีพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติทิศหายเราได้เงินคำทรัพย์สมบัติที่เราหามาได้โดยชอบธรรม ถ้าเขายากจนกว่าเราเราก็ช่วยชงเคาะอนุเคราะห์เสือเลือเพื่อแผ่อย่างที่พวกเราจะมาทำทานในวันนี้แหละพวกเราคิดว่ามาร่วมกันเพื่อสร้าง CICU ถวายหลวงปู่ของพวกเราเพื่อจะให้ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันนี่แหละการเสียสละถ้าพ ว, พวกเราไม่มีการเสียสละต่างคนต่างได้มาต่างคนก็ต่างเก็บถือว่าการเสียสล ะ, ะเป็นการเสียเปรียบ หาเงินมันด้วยความยากลํำบากแล้วไปให้คนอื่นเขาถ้าพวกเราคิดได้เพียงแค่นั้นนะประเทศชาติบ้านเมืองเรียว่ากลุ่มของเราจะหาความสงบร่มเย็นเป็นจุกไม่ได้นะหมาก็อยู่กับเราไม่ได้แมวก็อยู่กับเราไม่ได้ไม่ว่าแต่คนลูกเต้าเล้าหลานอยู่กับใครไม่ได้คนกี้นีทีเนียวนะ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเสียสละพอสมควรให้รู้จักเก็บให้รู้จักาหาและให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้นะ่ะไม่ใช่ว่าเก็บทั้งหมด ไม่ใช่จะให้ทั้งหมดออแล้วต้องหาแล้วก็เก็บแล้วก็ใช้อันนี้เรามาใช้นะ่ะใช้ให้เกิดประโยชน์นี่แหละคือการเสียสละนี่แหละหลวงพ่อได้พูดระหว่าคฆราวาสธรรมธรรมของฆราวาสําหรับฆราวาสก็คือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายนะ่ะว่าฆราวาสปัญประชาิตก็คือสิกพิสุสัมมาเนนแต่ฆราวาสก็คือญาติโยมนี่แหละธรรมของคราวาสสี่อย่างสัจอยากกึ่นต้นเลยนะ ธรรมะนะขมจิตก่มใจขันติมีความอดทนจาคะให้เสียสละต่อชุมชนและสังคมนี่แหละหลวงพ่อได้พูดแล้วก็ข้อ3มหมวดที่3หลวงพ่อว่าให้พวกเราอยู่ในทิศทั้ง6ให้อยู่ในหมวดทิศหกทิศ6นั่นคืออะไรแต่พวกเราได้ยินแต่ทิศ4กับทิศ8นะทิศหยังไม่เคยไม่มีเออเน่แต่ทำคําสอนของพระพุทธเจ้าเนะี่ยทิศห อทิศ4สเนี่ยคือตะวันออกตะวันตกทิศเหนือทิศใต้นะอทิต8ก็คือทักษิณอาคเนย์พายัพอันนี้อะทิศ8แต่ว่าทิศ6เนี่ยยังไม่มีแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทว่าให้เคารพทิศ6หนะจึงจะเจริญถ้าผู้ใดก็ตามอยู่ในกรอบหรืออยู่ในขอบเขตของทิศ6หคารวะทิศหนอบน้อมทิหกราบไหว้าทิตหพวกนั้น กลุ่มคนชุมนั้นชุมชนนั้นจะมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวทิศหกนั่นคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านว่าทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องหน้ามารดาบิดาถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนทิศตะวันออกนะมารดาบิดาอยู่ทิศตะวันออกพอเราเกิดขึ้นมาแล้วเรายังหลับตาใช่ไหม เ, ออเด็กเกดใหม่มันหลับตามันลืมตาไปขึ้นอย่างไรพอลืมตาขึ้นมาก็จะเห็นพ่อแม่ก่อนพ่อแม่อยู่ทางทิศตะวันออก เหมือนกับทิศ ต, ตะวันออก เ, อเราลืมตาขึ้นมาก็เห็นพ่อเห็นแม่ก่อนเพื่อนนี่แหละอันนี้ก็คือทิศเบื้องหน้าคือมารดาปิดามารดาปิดาเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบพระพุทธเจ้าท่านว่าเมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบทํากิจระของท่านดํารงวงศุลประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ทำบุญอุทิศ ส, สวนกุศลให้ท่านอันนี้คือเป็นหน้าที่ของบุตรธิดาเป็นหน้าที่ของบุตรชายบุตรหญิงจะต้องดูแลพ่อแม่ของตนเองเพราะพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาแล้วเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณของท่านเลี้ยงดูท่านเมื่อท่านเท่าแก่ชราเมื่อแล้วก็ทำกิจธุระของท่านแล้วก็ดำลงวงสกุลประพฤตตนประพฤตตน เอออย่าเป็นคนเกเรอย่าเป็นคนกินเหล้าเมายาจะมัะาเลเทเมาประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกคือเป็นคนดีเออจนเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของพ่อของแม่เออเออจนจนพ่อแม่มอบความไว้วางใจแล้วก็มอบทรัพย์สมบัติให้นี่แหละแล้็ข้อที่สุดท้ายก็คือว่าเมื่อท่านร่วงลับไปแล้วทําบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านนี่แหละหน้าที่ของบุตรธิดา ถ้าว่าท่านยังมีชีวิตยอยู่เราก็เลี้ยงดูแลท่านอุปถัมภะทากท่านเพราะท่านเลี้ยงดูเรามาแต่สมัยเราเป็นเด็กเห็นไหมเราเลี้ยงเด็กเลี้ยงลูกของเรายากขนาดไหนพ่อแม่เลี้ยงเราก็เหมือนกันนะไม่ผิดไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใหญ่ขึ้นมาขนาดนี้บุญคุณของท่านมากมายมหาศาลขนาดไหนนี่แหละหลักธรรมความสอนของพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ลืมนะไม่ให้ลืมพระคุณของบิดามารดาและก็ทิศเบื้องหลังบิดเบื้องหลังคือสามีภรรยา สามีภรรยาเนี่ยก็เนี่ยถ้าหากว่าผู้ใดก็ตามไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสามีไม่เคารพสิทธิ์ภรรยาภรรยาไม่เคารพสิทธิ์สามีต่างนอกใจกันเที่ยวเตร่ตามอํเาเภอใจไม่เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันไม่ให้ความไว้วางใจกันแล้วสามีภรรยาคู่นั้นละ่ะจะหาความสุขได้ไหมหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรเพราะสามีภรรยาคู่นั้นไม่อยู่ในกรอบของศีลธรรม นอกศีลธรรมแล้วจะหาความสงบร่วมยินเป็นจุกไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะว่าสามีก็ไรศีลธรรมภรรยาก็ไร้ศีลธรรมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้นะ อ, อันนี้คือทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์พวกเราเกิดมาตั้งแต่เป็นเด็กพ่อแม่สอนพวกเราแล้วอพอจากนั้นก็นำ ส, ส่งเข้าโรงเรียน อ, อนุบาล ท่านั่นกับปฐมปยมปริญญาตรีโทเอกจากนั้นก็ออกมาฝึกวิชาอาชีพล้วนแล้วแต่เป็นครูบาอาจารย์ทั้งหมดที่แนะนำสั่งสอนให้รู้จักธรรมาหาเลี้ยงชีพวิธีขับรถวิธีตัดผมวิธีเยบ็บผ้าวิธีจนถึงเราบางคนเราก็มีวิชาอาชีพขึ้นมาเพื่อเลี้ยงชีพเราได้อันนี้เรียกว่าเทิศเบื้องขวาเปรียบเทีทยบพิษเบื้องขวาครูบาอาจารย์ เราต้องให้ความเคารพในครูบาอาจารย์เมื่อเห็นครูบาอาจารย์มาลุกขึ้นยืนรับเข้าไปคอยรับใช้ด้วยเชื่อฟังด้วยอุปถากด้วยเรียนศิลปะวิทยาที่เราค้างที่เรายากไม่เข้าใจขอท่านอีกใท่านจะได้ประสิทธิ์ประสิท์ความรู้ให้กับเราอันนเนติธิตเบื้องขวาอาจารย์ธิตเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราต้องมีหมูมีเพื่อนมีมิตรมีสหายถ้าว่าพวกเราทํามาค้าขายมีแต่ มิดเรวๆปาประมิดมีแต่มิตรโกงมิตรกินเหล้าเมายามิดแต่มิตดไม่ซื่อสัตย์สุดจริตต่อกันการทํามาค้าขายจะเจริญได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีกัรระยาณมิตรการระยาณมิดคือมิดที่ดีมิตรที่ดีเหมือนกับเราเราก็ต้องซื่อสัตย์กับมิดมิดก็ต้องซื่อสัตย์กับเราซื่อตรงต่อกันพูดคําไหนก็คํานั้นต้องมีสัจจะต่อกันถ้าเป็นคนที่มีสัจจะต่อกันแล้ว ทำมาค้าขายไปด้วยกันมีแต่ความเจริญถ้ามีมิตรมากขนาดไหนก็มีเถอะถ้ามีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันแล้วมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวถ้าเป็นปลาประมิตรมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจิบหายถ้าไม่มีมิตรไม่มีสหายเลยก็เป็นไปไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะสินค้ามันจะไปทางไหนถ้าว่าเราไม่มีหมูมีเพื่อนไม่มีมิตรมีสหายจะรร ะ, ะบายไปยังไงนี่แหละเสียงเหล่านี้ทบพระเจ้าท่านบอกว่า เทศเพื่องสายคือบิดสหายเป็นกัลยาณมิตรต้องหากัลยาณมิตรแต่จะให้มิตรทีดท่ดีทีเดียวทั้งหมดทุกอย่างก็คงเป็นไปอย่างนั้นได้ยากแต่ขนาดตัวของเราเองบางครั้งก็ยังรูบๆโดนๆก็ยังมีมมมมมมมอยู่แต่ก็พยายามดูเป็นส่วนใหญ่ดูว่าเออถ้าเราได้คบกับคนนี้เขาคงจะไม่ทําให้เสียหายเขาไม่ติดยาบ้าเขาไม่เป็นคนค้าของเถื่อนอลักษณะอย่างนั้นแหะ ถ้าเราไปคบอย่างนั้นเข้าไปแล้วกันนะเผื่อเราอาจจะติดคุกติดตารางกับเขาก็ได้เพราะฉะนั้นกานันยานมิตรต้องมิตรที่ดีปาปมิตรมิตรชั่วนะอันนี้คือทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่ําทิศเบื้องต่งตําบ่าเบ่าวล้ายๆก่าลูกน้องบริวารของเราเมื่อเราเป็นหัวหน้าอย่างผู้จัด ก, การธนาคารก็ต้องมีต้องมีลูกน้องอย่างหลวงพ่อนี่เหมือนกันเป็นสมภารวัดก็ต้องมีลูกน้องบริวารลูกน้องบริวารของเราเนี่ยแหละเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนเรา ถ้าเราเปฏิบัติตนไม่ถูกต้องออไม่เลี้ยงดูลูกน้องเอารัดเอาเปรียบลูกน้องคดโกงลูกน้องออไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกน้องเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้ความเอือ้อเฟื้อเอือ้ออารีกับลูกน้องลูกน้องก็ไม่มีน้ำใจกับเราเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องดูแลลูกน้องของเราดูแลผู้ใจบังคับบัญชาของเราโดยทำถ้าเราดูแลโดยทำแล้วเขาก็ให้ความเป็นธรรมกับเรา เราสั่งการสั่งงานตัวไหนไปลูกน้องบริวารเขาก็ทําหน้าที่ให้เต็มที่เพรเหตุไรเพราะเขาไว้เนื้อเชื่อใจในเจ้านายของเขาในหัวหน้าของเขานี่แหละทิศเบื้องต่าําบ่านะเราก็ต้องดูแลอีกสารถูกสุขดิบของเขาแล้วก็ทิศเบื้องบนสมณพรามสมณพราหม์ก็อย่างหลวงพ่อนี่แหละกำลังแนะนําสัง่งสอนลูกหลานอยู่เนี่ยเออดลกตัวอย่างนะแต่สัมกุบาอาจารย์ทั้งหลายก็คือสมณพราหมณ พวกเราทําการทํางานทำมาหาเลี้ยงชีพ อ, อยู่ตามลําพังแต่เป็นวันวันไปไม่เคยไปคบค้าสมาคมกับสมณพราหมณ์บัณฑิตนักปราชญ์ไม่เคยสมาคมกับครูบาอาจารย์เพ้อเพอจะพยองพองตัวเข้ามาอีกข้าเนี่ยเป็นคนเก่งคนดึงคนเด่ น, คน ด, นคนดังไปอีกเถิเพราะอะไรเพราะไม่มีใครบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนตัวเองได้แต่ถ้าเมื่อพวกเราเข้ า, ขามาหาสมณพราหมณ์สมณธรรมกบอกเอ้ยลูกหลานเอ้ย ชีวิตนี้มันไม่ใช่ยั่งยืนนะเห็นไหมคนร้อยปีมีกี่คนเราจะของเราแหละอีกนานเท่าไหร่ไออีกสักวันหนึ่งนะอ่าเราก็จะต้องล้มหายตายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นอย่าประมาทเกินไปนะั่นหลุกรานนะสั่งสมคุณงามความดีนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะนรกสวรรค์มีจริงนะตายแล้วไม่สูญนะให้ประกอบคุณงามความดีนะให้รักเคารพพ่อแม่นะ สามีภรรยาครอบครัวนะ่ให้ทำตนเป็นคนดีนะ่คิดดีนะ่าทำดีนะ่พูดดีนะลูกหลานนะจึงจ ะ, จะเจริญนนะสมณาาพามท่านจะให้คำแนะนำสั่งสอนพวกเราพวกเราก็จะได้ปฏิบัติตนตนให้ถูกต้องในเมื่อปฏิบัติตนถูกต้องและความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับตัวของเราเป็นอันดับแรกเพราะนั้นคิดทั้งหกที่หลวงพ่อได้บรรยายมาอย่าง สังเขปหรือว่าเข้าใจได้ก็คือทิศเบื้องหน้ามารดาปิดาทิศเบื้องหลังสามีภรรยาทิศเบื้องขวาครูบาอาจารย์ทิศเบื้องซ้ายมิตรสหายทิศเบื้องต่ำเบ่าวลูกน้องบริวารทิศเบื้องบนส ม, มณะผลามน ะ, ะแล้วก็คารวัตธรรมอีกหนึ่งคารวัธรรมสี่สัจจะให้มีความจริงจังและจริงใจต่อกันธรรมะ ให้รู้จักข่มจิตของตนเมื่อจิตของตนโมโหโกธาและก็ขันติให้มีความอดทนในที่ทุกสถานคนที่มี ข, นขันติคือความอดทนแล้วไปอยู่นสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับของคนทั้งหลายถ้าว่าเป็นคนมีอารมณ์ร้อนโมโหโกธาไปที่ไหนใครก็รังเกียดเตี๋ดสันง่ายๆเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะว่าอารมณ์ไม่ดีนี่แหละให้ขันติมีความอดทนข้อที่4ี่จาฆ่า าการที่จะเสียสละของตนให้แก่ให้เป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่ควรให้ปันบุคคลที่ควรให้ปันคืออะไรคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายที่เขาตกทุกข์ได้ยากที่ต่ําต้อยกว่าเราเราก็ควรจะช่วยเขาอย่างพวกเราช่วยโรงพยาบาลอย่างนี้นะช่วยคนที่ด้อยโอกาสคนที่เจ็บไข้ได้ปว่วยเราก็เสียสละมาด้วยกันมาทำบุญกับงานนี้อันนี้ว่าจาคะนะแล้วกศีลห้าที่หลวงพ่อได้พูดบางต้วเนี่ อย่าคิดฆ่ากันคนที่คิดฆ่ากันหาความสงบเป็นทุกไม่ได้ขโมยกันไม่เคารพสิทธิสามีภรรยากันและก็โกต้มตุนหลอกลวงกันดื่มสุรามึนเมาขาดสติทำความชั่วในทุกอย่างนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดให้กับผู้ที่จะเข้าสมาคมอาเซียนหรือว่าพวกเราจะอยู่ด้วยกันไม่ใช่อาเซียนก็เถอะอยู่ในประเทศชาติบ้านเมืองก็เถอะแต่ถ้ามี คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมที่ดีอย่างนี้แล้วหลวงพ่อมั่นใจว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะร่มเย็นเป็นสุขได้ทั่วหน้ากันแต่ถ้าพวกเราออกนอกรูนอกทางแล้วอย่าหวังเลยเกิเลสไม่มีขอบเขตมิแต่จะถล่มทลายกันใครได้เปรียบคนนั้นเหยียบกันไปเรื่อยถ้ามีคุณธรรมแล้วจะต้องมองกันอันไหนดีอันไหนเลวแต่ตามไม่จริงประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ย ปริญญาตรีโทเอกเรียนกันมาไปรู้เท่าไหร่ เ, เงินแต่ละปีเนี่เสียค่าเราเรียนศึกษานี่กี่ร้อยกี่หมื่นกี่แสนล้านาไปเรียนต่างประเทศอีกต่างหากมีตัวอกเตอร์ทั้งนั้นแต่ทําไมเอามาทําไมไม่เอาความรู้ความฉลาดสติปัญญามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติของตนเองทําไมเอาแต่ความโมโหโกธาเอาทําไมแต่ความโลภโกรธหลงามาห้า ม, มาหันกัน มีแต่เอาความที่เอารัดเอารียบซึ่งกันละกันมันไม่ถูกต้องหลวงพ่อว่านะเป็นผู้ใหญ่แล้วน่าจะคิดได้ว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรมันน่าจะคิดได้นะหลวงพ่อว่าน ะ, ะแล้วก็พร้อมกันนะวันนี้นะหลวงพ่อได้บรรยายเกี่ยวกับการเป็นอยู่เรือว่ า, าจริยธรรมจริยธรรมแต่บัด น, นี้หลวงพ่อจะแนะนำเรื่องการภาวนาให้กับพวกเราคณะรัตาญาิโ ย, ยมลูกหลานด้วย เพราะว่าถึงจะพูดยังไงไปยังไงไปยังไงนะหลวงพ่อก็ยังพอลงพ่ออยู่ในป่าเร็นพระป่ามาชีวิตแบบพระป่าเลหลวงพ่อจะนั่งภาวนาไม่เคยขาดเเดินไปที่ไหนพอว่างๆหลวงพ่อก็พุทโธพุทโทพุทโธไปเรื่อยเพราะนั้นหลวงพ่อพูดพูดไปยังไงพูดไปที่ไหนไหนก็ตามแต่หลวงพ่อจะไม่ลืมเรื่องภาวนาสำหรับแนะนำสั่งสอนลูกหลานเพราะภาวนาคำนี้แหละจะทำให้จิตใจของเราเย็น จิตใจของเรามีความสุขจิตใจของเราไม่เดือดร้อนวุ่นวายจิตใจของเราปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแต่คําว่าพวกลูกหลานคณะทศไทยญาติโยมคำนี้บอกโอ้หลวงพ่ออินใช่เลยสิอยู่ในป่าดงพงไพ่ไม่ให้ปล่อยวางปล่อยวางแต่พวกเราละ่ะมีลูกมีครอบมีครัวมีกิจการมีบ้านมีเรือนเราจะไปปล่อยวางได้ยังไงพวกเราคงจะเถียงหลวงพ่ออินในใจนะแต่หลวงพ่ออินบอกว่าเอออยา่า หลวงพ่อจะวพูดให้ฟังหลวงพ่อบอกว่านี่หลวงพ่อเอง ก, ก็มีวัดเหมือนกันนะมีลูกศิษย์ตั้ง4 0่0บห้าองค์นั่นมีญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องอีกแต่ละวั น, นมากมายมหาศาลวัดหลวงพ่อกะพันก่าไร่แล้วมีเศยนาสนะอะไรทุกอย่างวัดเลหาจัดการในวัดของหลวงพ่อแต่หลวงพ่อเวลานั่งภาวนาหนะลวงพ่อนั่งภาวนากลางคืนหรือว่าเดินโยมนั่งภาวนา กัดสมาธิเสร็จแล้วหลวงพออ่อเออหลวงพ่ออินเอ อ, เ อ, อวัดก็คือวัดเนอลูกศิษย์ก็คือลูกศิษย์ลูกหาเน อ, เ อ, อขนาดร่างกายของตัวเองอีกสักวันหนึ่งเขาจะต้องเอาไปเผาไฟทิ้งนะหลวงพ่ออินเนอสิ่งเหล่านั้นขนาดร่างกายตัวเองยังไม่ใช่ของตัวเองสิ่งเหล่านั้นจะเป็นของเราได้อย่างไรเราต้องปฏิบัติให้ถูกปฏิบัติให้เหมาะสมในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ ให้เหมาะสมให้ถูกต้องเท่านั้นแหละเออแต่เราจะไปยึดยึดมัน่นถือมัน่นจะไปถือโทษโกรธเครืองอะไรมากมายมันไม่ถูกนะเอออันนี้แหละอันนี้หลวงพ่อเอนก็ปล่อยวา ง, ลวงเลยสิไม่ยึดมัน่นถือมัน่นเอา้าอะไรก็ได้ในขณะที่นั่งภาวนาแต่เมื่อออกจากนั่งภาวนามาแล้วหลวงพ่อก็ต้องทําหน้าที่ดูแลพี่น้องลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างวันนี้แหละ หลวงพ่อก็ได้มาพูดให้คณะสัาาตยาธิยอดยมลูกหลานได้ฟังโน้มน้าวเพื่อการเสียสละร่วมกันเพื่อการทําบุญทําทานแต่ส่วนลึกของหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อจะบอกหลวงพ่อเองนะเรื่องเรื่องทั้งหลายทั้งปวงเราจะต้องทิ้งทั้งหมดเออเอาอะไรไปด้วยไม่ได้สักอย่างขนาดกระดูกตัวเองเขายังไปเผาไฟทิ้งในเมนเมีตะกระดูกเท่านั้นแหละมีตะบุญกระ บ, บาบท่านั้นแหละที่ไหนบุญกระ บ, บาบจะติดตัวไปด้วย ได้มาพูดเรื่องบุญกับบาปทิ้งนี่นี่ักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีหลายระดับนะขนาดปล่อยวางอย่างนั้นแล้วปล่อยวางอย่างนั้นแล้วท่านให้ดูนะท่านวานนะตายแล้วไม่ศูนะย์นะคำนี่แหละเขาบอกตายแล้วไม่ศูญยอ้าวหลวงพ่อเอาคําไหนมาพูดหลวงพ่อเอาคําของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาพูดเพราะพระพุทธเจ้าท่านยืนยัน พระพระเชเจ้าท่านไปนั่งภาวนาอยู่ที่โคลนปโภพุทธคยานะประเทศอินเดียคืนที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณนะท่านนั่งขัดสมาธินะยัดโยมนะนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้น ท่านรู้ได้ว่าร่างกายของเรานี่เหมือนกับรถทันวันนะเ อ, อร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเราเหมือนกับคนขับรถนา ม, มาทําตัวผู้รู้เนี่เหมือนกับคนขับรถแต่ร่างกายก็เหมือนกับรถแต่รถคันนี้มันรถพิเศษสักหน่อยมันมีสมองเออมันมีทุกอย่างหัวใจมันมีเครื่องยนต์กลไกลอยู่แต่เกิดมาเท็ที่แรกเทนะ่านัแต่ทีนี้ซเฟอร์เข้ามาเข้ามาใช้รถคันนี้นะี่ะเออ แต่พวกเราท่านทั้งหลายวิทยาศาสตร์ทั้งหลายเขามองไม่เห็นมองไม่เห็นตัวนามธรร ม, มเขามองแต่เห็นแต่รูปปธรรมรูปประธรรมคือร่างกายหเห็นแต่รูปร่างกลางตัวเนี่ยเออเี่กว่าเอาเครื่อง เ, อเครื่องมือแพทย์เขามาจับเต้นหัวใจเต้นสมองเต้นขื่นสมองอะไรลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงพระพุทธเจ้าท่านไปนั่งภาวนาเนี่ยท่านรู้เลยว่านามธรรมตัวหนึ่งนะ่ยมาใช้สมองอีกทีหนึง่งเหมือนกับ ร่างกายของเราสมองเนี่ยเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่ติดอยู่ที่สมองของเราแต่คนที่มาใช้คอมพิวเตอร์น่ะวิทยาศาสตร์เขามองไม่เห็นจุดนั้นแต่พระพุทธเจ้าท่านมองเห็นนะท่านมองเห็นมองเห็นจุดที่พระพุทธเจ้าว่าคอมพิวเตอร์คือคนที่ใช้คอมพิวเตอร์นี่แหละนี่แหละตัวนี้แหละตัวที่มาเกิดพระพุทธเจ้าให้ความสาคัญเรื่องใจมากกว่านะคะัสทายญาติโยม มนโนปุพังเขมาธรรมามนโษษษษมนเสรษามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจท่านในความสําคัญโซเฟอร์มากกว่ารถในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาเพราะนั้นตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกบาป บ, บุญกุลบิดมีจริงนรกสวรรค์มีจริงกรรมชั่วอย่าทํำเสเลยดีกว่าเมื่อทํากรรมชั่วแล้วกรรมชั่วนั้นจะให้ผลติดตามเมื่อภายหลังเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเนะ้ออย่าไปทํากรรมที่มันไม่ดี กรแต่กรรมดีและก็ประกอบแต่คุณงามความดีให้สั่งสมบุญคุณส่วนเอาไว้แล้วก็ให้ภาวนาเนอก่อนหลับก่อนนอนให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธกําหนดลมหายใจเข้าออกทำจิตใจให้นิ่งเมื่อจิตใจนิ่งจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันกันน ะ, ะร่างกายนี่เป็นป่าช้าเผาทิ้งได้ไง่ายๆแต่ใจของเราไม่มีปาช้านะใจไม่มีป่าช้ากายมีป่าช้า เระนั้นขอให้พวกเราทุกๆทัศนนะประกอบคุณงามความดีวันนี้นับว่าเป็นวันมงคลหมามงคลจริงที่พวกเราได้มาทําบุญกระองค์หลวงปู่มาทอดผ้าป่ากับองคหลวงปู่ตอนนี้ไปหลวงพ่อได้กล่าวสมโภชเนจรคาถาวันนี้เห็นว่ายาวพอสมควรด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนาฏไรพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยอํานาจบุญบารมี พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่พระอุโรมญานโมลีหลวงปู่ใหญ่ของพวกเราที่มานั่งเป็นประธานขอให้คุ้มครองพวกเราจงประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปราศถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมข อ, ขอให้สมหวังดังปราศทนาทุกๆท่านเทิน